นี่ต่อไปขึ้นตถาคตในย่าที่3มนะครับว่าถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าตถาคตเพราะทรงรู้ลักษณะที่แท้จริงเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ว่าพระองค์นี้ทรงรู้สามั ญ, ญลักษณะพร้อมด้วยลักษณะของรูปรธรรมและอรูปรธรรมทั้งปวงคือหมายความว่าพระองค์นี้ทรงรู้ทั้งสามั ญ, ญลักษณะและสภาวะลักษณะของรูปรธรรมและอรูปรธรรม ว่ารูปธรรมและอรูปธรรมเนี่ยนะครับคือคําว่ารูปธรรมหมายถึงรูปประขันคาว่าอรูปธรรมได้แก่นามมาขันท uh no> totally> ี่เหลือนะครับเพราะฉะนั้นสภาว่าลักษณะของรูปธรรมนามธรรมเป็นอย่างไรแล้วก็สามัญลักษณะลักษณะที่เสมอกันทั่วไปของรูปธรรมนั้นเป็นอย่างไรเช่นว่าปฐวีธาตุมีลักษณะแข่นแข็งนะครับอาโปธาตุมีลักษณะเอิบออาบเตโชธาตุมีลักษณะ ร้อนแล้วก็วาโยธาตมีลักษณะแคร่งตึงนะครับหรือว่าเคลื่อนไหวเนี่ยนะพัดพดผันไปมาเนี่ยนะทั้งธาตุทั้ง4ประการนั้นเรียกว่ารูปเพราะเสื่อมสิ้นสลายไปเพราะวิโรธที่ปัจจัยทั้งหลายนะครับแล้วก็มหาภูตรูปเหล่านั้นเนี่ยนะครับความใสของมหาภูตเหล่านั้นเนี่ยนะเรียกว่าปสาธารูปปสาทรูปเป็นวัตถุเป็นที่อาศัยเกิดของอรูปธรรม ท, ทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นก็มีสภาวาะลักษณะ แต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ก็มีความเสมอกันทั้งรูปธรรมและอรูปธรรมเหล่านี้คือไม่เที่ยงเพราะว่าสิ้นไปเป็นธรรมดานะครับเป็นทุกข์เพราะว่าน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะถามมารู้แค่นี้หรือสําคัญที่สุดต้องรู้ปัจจัยของรูปธรรมและอรูปธรรมนะครับเพราะว่าปัจจัยนั้นเป็นเครื่องกําหนดว่าผู้ไม่เข้าใจปจัจจัยนะครับจะเป็นอุเฉททิถิง่ายมาก มันก็นั่งคิดว่าอันโน้นก็ไม่เที่ยงอันนี้ก็ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นฮิริโอตะปะเป็นต้นก็จะเกิดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่จะพิจารณาเรื่องความไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยนะครับกรรมมศกตาก็ต้องแม่นยำแล้วก็มองเห็นความเป็นไปอย่างตลอดสายของสังสารวัตรด้วยนะครับถ้าไม่งั้นอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นศีลขาดเอิ้นก็ไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยแย่แล้วนะครับนะไปไปมามาเออพระพุทธเจ้าก็ไม่เที่ยงพระองค์ยังนิพพานเลยอย่างเงี้ยก็แสดงว่าหนักหนาส า, าหัสแล้วนะครับ เพราะนั้นแทนที่จะปรารบแล้วก็แทนที่จะสลดสังเวทแล้วก็มีศรัทธาที่จะภาพเพียรมากขึ้นกลับเป็นคนที่ปล่อยประละเลยก็มีนะครับเพราะว่าขาดความเข้าใจความไม่เที่ยงอย่างตลอดสายนะครับกลายเป็นคนทำอะไรเผลอเรอไปเลยก็มีนะครับไม่ควรเป็นอย่างนั้นอ่นนะนะพระองค์นี้ทรงตรัสรู้สามั ญ, ญลักษณะและสภาวะลักษณะของรูปรูปธรรมและอรูปธรรมจริงแท้แน่นอน คือทรงบรรลุด้วยญาณคติตรัสรูไม่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าตถาคตนะครับคือสามารถอย่างรู้ลักษณะนะครับของรูปธรรมและรูปธรรมถ้อยคำเหล่านี้เป็นรหัสคำย่อนะครับในนามรูปทุกกะในมาติกานะแต่ที่จริงแล้วนะครับนามรูปทุกกะในมาติการในทุกกะมาติการนี่นะครับ ถ้าหากว่าจะใช้คําว่าทุ ก, กะเนี่ยจะต้องควรรู้เรื่องติกะเป็นต้นด้วยนะครับแต่นี้ขั้นเป็นรหัสย่อนะฮะอภิธรรมปิดกแทบทั้งหมดเนี่ยมาใช้เหลือสองคำนะครับเหลือคําว่ารูปกับอารูปหรือรูปกับนามแต่ว่าถ้าจะขยายให้ละเอียดพิสดารจริงๆก็อภิธรรมปิดกทั้งหมดนะครับอภิธรรมปิดกทั้งหมดนี่เป็นคําอธิบายพรรณน า, นาความเป็นไปของรูปนามอย่างตลอดสายแล้วก็ให้เข้าถึงสภาวะที่จริงแท้แน่นอนนะครับ ใช่โอ้โหฟังแค่รูปประทัมแล้วรูปประทัมอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามโอ้ยก็พอแล้วที่จะปฏิบัตินี่นะครับว่าเอ้ถ้ารู้ว่ารูปนามแล้วปฏิบัติแล้วปฏิบัติแล้วจะเห็นอะไรต่อไปเป็นต้นเนี่ยว่เห็นเกิดดับ เ, เห็นเกิดดับแล้วละกิเลสอะไรนะครับเอานี่นะสมมติถ้าผมลืมตาเนี่ยลืมตาเกิดหลับตามันดับแล้วอะเพราะไม่เห็นอะเออถามว่าเห็นเกิดเห็นดับงนี้แล้วละกิเลสอะไรสมมุติเราได้ยินเสียงผมพูดจะได้ยินเสียงตัวเองถ้าเลิกพูดเสียงก็หาย เออเอามันก็หมดแล้วอ่ะแล้วมละทิฏิละทิฏิเห็นว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงมองเห็นว่าเที่ยงครับคือละว่าเออที่เมื่อก่อนเคยยืดมันมันเที่ยงอ๋อตอนนี้ว่ามันไม่เที่ยงซะแล้ะครับเออเคยขอครับมตั้ง ข, ข, ขอถามนะครับถ้าถ้าถามนี้นะผมก็ถามคืนว่าเคยมีใครฟังว่าเสียงนี่มันเที่ยงไหมครับเคยมีใครคิดไหมว่าเสียงเนี่ยนะเที่ยงตลอดไปอมตะเลยนะ ใครก็รู้ทั้งนั้นแหละครับว่าเสียงมันเป็นคำคำเพราะฉะนั้นอา้าวตอนที่มันเปล่งออกมาก็จะเกิดขึ้นอา้าวมันหมดไปก็ดับไปอ้าวก็รู้นะครับรู้อย่างนี้ละกิเลสอะไรนะครับเพราะถ้าหากว่ากล่าวตามพระธรรมคําสอนนะครับถ้ารู้อะที่เรียกว่าเกิดเนี่ยนะครับรู้เหตุเกิดเนี่ยนะเวละอุเฉท ท, ทิฏฐินะครับถ้ารู้ความดับนี่ละสัตาทิฏฐิเนี่ยนะเหมือนกันฉันได้รู้จากคูวิญ ญ, ญ, ญาณอ้าวเนี่ลืมตามันก็เกิดหลับตามันก็ดับไป หรือมันดับเร็วกว่านั้นอีกทีนี้ถามว่าเอาเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วละ ก, กิเลสได้ยังไงบรรลุอริยสัจเพราะอะไรนะครับเนีย่ยนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับก็ควรที่จะต้องวิจัยให้ละเอียดซึ่งคําสอนอันนี้ไม่ใช่หลักลอยคอยงานสังขารโทมแน่นอนนะครับเป็นคําสอนที่กล่าวไว้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นในชั้นต้นนะคนที่จะวิจัยเรื่องนี้นะครับยกตัวอย่างจากขูวิญญาณเนี่ยนะถ้าวิจัยเนี่ยจากขูวิญญาณมีอะไรเป็นตัดจยัยก็ต้องมีสังขารเป็น ปัจจัยสังขารมีอะไรเป็นปัจจัยมีอวิชชาเป็นปัจจัยเพราะนั้นอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณแต่ตรงนี้เรายกมาเฉพาะจักขูวิญญาณแล้ววิญญาณเหล่านี้เป็นปัจจัยแก่นามรูปอย่างไรนามรูปเหล่านี้เป็นปัจจัยแก่สลายยตนะอย่างไรสลายยตนะเป็นปัจจัยแก่ผัสสะเป็นปัจจัยแก่เวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหาอุปาทานพบชาติชรามรณะต่อไปได้อย่างไร นะครับก็ต้องมาวิธิจฉัยให้เห็นความเป็นไปของปฏิจจสมุปบาทถึงการเห็นการเป็นไปของแต่ละการเห็นนะครับแม่การเห็นอย่างนี้ทั้งที่เป็นอดีตแม่การเห็นอย่างนี้ที่เป็นในอนาคตก็เป็นไปตามหลักปฏิจจสมุปบาทเหมือนกันแล้วไม่ใช่ทวารตาทวารเดียวทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจก็ต้องเป็นไปตามแนวปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนะครับ เพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นเหตุเกิดความเป็นไปของปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้เนี่ยนะคะรับอุดเฉททิฐิได้เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สูญเลยมันเกิดไปตามปัจจัยของมันมันได้ปัจจัยสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นมันเห็นเหตุเกิดอันนี้จริงละอุดเฉททิฐิได้ทีนี้การเกิดขึ้นของนามนธรรมในรูปธรรมนามนตามปฏิจจสมุปบาทอันนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีอันใดอันหนึ่งเที่ยงเลยเพราะฉะนั้นจึงละสัจสตทิฐิได้เพราะฉะนั้นเห็นเหตุเกิดและความดับ ตามปฏิจจสมุปาทนั้นะจึงญละอุเฉททิฏฐิและสัสนทิฏฐิได้ทีนี้ถ้าจะตัดวงจรอันนี้เนี่ยนะถามว่าการเห็นทั้งหลายเหล่านี้ดีไหมเที่ยงไหมนะครับเป็นสุขไหมเป็นอัตตาไหมล่ะมันก็ไม่เป็นเมื่อไม่เป็นก็ตามค่าควรถึงทุกทโทษภัยทั้งหลายของสิ่งเหล่านี้อย่างตลอดสายเมื่อเห็นทุกทโทษภัยของสิ่งเหล่านี้เป็นต้นอย่างตลอดสายแล้วเนี่ยนะครับ ก็ศึกษาไตรสิกขาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เข้าถึงสันติบทให้พ้นจากวัตทุกทั้งหลายเหล่านี้ถามว่าวัตทุกที่เรากลัวกลัวจริงๆเนี่ยวัตทุกอันนั้นอยู่ที่ไหนไม่ใช่ลืมตาเห็นนี่หรือที่เรียกว่าวัตทุกนะครับถามว่าใช้คาว่าวัตะนะวัตานี้ เป็นชื่อของอะไรครับเป็นชื่อของกรรมเป็นชื่อของวิบากและเป็นชื่อของกิเลสที่หมุนเป็นไปเนี่ยนะครับเรียกว่าสังสาระคือลำดับที่เป็นขันธ์ธาตุอายตนะที่สืบเนื่องกันไปลักษณะนี้ในชีวิตเนี่ยนะถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับศึกษาอย่างไรให้เป็นไปกับไตรสิกขาเนี่ยนะครับเพราะว่าอริยมรรคทั้งหลายก็คือไตรสิกขานั่นเองนะครับทำยังไงถึงไตรสิกขาจึงจะเกิดขึ้นได้อย่างบริบูรณ์นั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องไปวินิจฉัย ไม่ใช่โอ้นี่รูปนามเออนี่พอละเนี่ยสีเป็นรูปรู้สีเป็นนามนี่เป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งโอแค่นี้ก็ปฏิบัติได้แล้วเอาไปเจริญแค่นี้แหละเชื่อไหมครับถ้ารู้แค่นี้นะบุญบาปยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเลยเนี่ยนะครับถ้าบุญบาปไม่รู้แล้วนะแหมมันก็ยากเหมือนกันนะครับชีวิตนี้ก็ดูน่าเห็นใจจริงๆนะครับต่อไปนะว่าสมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าก็พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เป็นนาทะนาถะนีแ้แปลว่าเป็นที่พึ่งของโลกสามนะครับคือทั้งเทวดาและมนุษย์พรหมทั้งหลายเนี่ยนะครับทรงรู้สามัญญลักษณะและก็สภาวะลักษณะของตนของธรรมะทั้งปวงนะครับของธรรมะทั้งปวงแท้จริงทีเดียวเพราะฉะนั้นพระองค์จึงชื่อว่าตถาคตชื่อว่าตถาคตพระรู้สภาวะธรรมและสามั ญ, ญลักษณะของธรรมะทั้งปวงนะครับ อันนี้เป็นความพิเศษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแต่ที่จริงแล้วบทเหล่านี้เป็นบทย่อนะถ้าตถาคตในคำภีร์อื่นนะครับจะยกมาอย่างพิสดางคือคําว่าตถาคตนี่ไม่ได้อยู่ในคมภีร์เดียวนะครับมีอยู่ในคำพีรทีคณิกายนะครับศีลขันธวัชก็มีนะครับในอัตถคฐานะมีในมัชฌิมานิก า, กายก็มีนะครับมีในอังคุตรนิก า, กายก็มีมีใน ปฏิสามพิธามักก็มีนะครับแล้วก็แม้กระทั่งในอิติวุตกิก็มีในคำพีอุทานก็มีนะครับมีหลายแห่งมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านสรุปรวบย่อมาและเพราะอะไรครับเพราะจะมีอธิบายที่อื่นอีกต่อไปก็เลยเอาตรงนี้เอาย่อๆก่อนนะครับ เพราะว่าท่านจะขยายนัยอื่นอีกถ้าเอามาพิสดารหมดก็จบไม่เป็นนะครับคัมภีอิติวุติกาก็เลยเป็นมหาคัำพีเป็นครุคำพีเป็นคัมภีหนักเลยเลยเพราะท่านก็จะเอามาเฉพาะส่วนที่ย่อๆนะครับทีนี้มาขึ้นตถาคตในที่4เลยนะครับถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าพระตะถาคตเนี่ยนะเพราะตรัสรู้ธรรมะที่แท้จริงโดยความเป็นจริงเ่ยถามว่าเป็นอย่างไร ตอว่าอริยสัจสีนี่นะครับชื่อว่าธรรมะแท้จริงนะถ้าของจริงของแท้มันก็ต้องอริยสัจสี่ดังที่พระ อ, องค์ตรัสว่าจัตตาริมานิพิขเวตถานิอวิตถานิอนัญญฐานินานกตามานิจัตตาริอดังทุกครัขข้งอริยสัจจันติพิกขเวตทะเมตังอวิตทะเมตังอนัญญกะเมตังเป็นต้นนะครับมาดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายความจริงแท้แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นสี่อย่างเหล่านี้ สี่อย่างเป็นชนะยดูกมพิสูน์ทั้งหลายทุกนี้เป็นอริยสัจเป็นความจริงแท้แน่นอนไม่เป็นอื่นนะครับนะสมุทัยนี้ก็เป็นอริยสัจเป็นความจริงแท้แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเนี่ยนะนิโรธก็เป็นอริยสัจใช่ไหมครับเป็นความจริงแท้แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นอริยมรตก็เป็นอริยสัจนะครับเป็นของจริงแท้แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นนะครับ เพราะฉะนั้นรายละเอียดพิสดารก็นิมนต์ไปดูได้นะครับในสัจจะสังยุตสัจจะสังยุตคำพีสังยุตตนิกายนะครับมหาวาระวัคนะครับอยู่ที่เล่มส1เอดนะครับเล่ม3าเอ็ดในฉบับ91เดเล่มนะครับครับอยู่ตอนหน้านั่นนะครับแค่ใช้ประโยค่สมบัติยกมือพลิกแล้วก็กว่าสายตาอ่านก็ได้บุญแล้วนะครับ นนะเพราะความที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้อริยสัจเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าตถาคตเพราะตรัสรู้ยิ่งซึ่งธรรมะอันแท้จริงเออทีนี้ถ้าหากว่าผมจะถามบางอ้าก็เราฟังแล้วเนี่ยนะเราก็รู้นะอะไรคือทุกข์อะไรคือทุกขสมมูทยัยอะไรคือทุกขานิโรธอะไรทุกขานิโรธาขามินีปฏิปทานเนี่ยเราก็รู้แบบนี้แล้วทําไมจึงไม่บรรลุบางเอลก็ผมรู้อย่างนี้ได้ยินอย่างนี้ทําไมจึงไม่บรรลุสันทีครับ โอ้อา oh, จารย์ปีจาจะส่งข้อผมเลยนะครับนิมนต์ครับขออนุ ญ, ญาตนะเพราะว่าอินทรีย์มันยังไม่แก่กล้านะครับคร อ, อถ้าอินทรีย์แก่กล้าแล้วจะรู้ยังไงครับอริยสัจเนี่ยอ๋อตรงนี้ก็รู้ตามพระไตรปิฎกกันเลยครับอ๋อเลยครับเอาผมก็รู้แล้วนี่ไงรู้แล้วอ่ะทําไมไม่รู้จริงแท้สักเพียนะครับต่างกันยังไงครับนี่นะ ต่างเพราะว่าไม่ได้ทํากิจเลยฉะนั้นตรัสรู้อริยสัจเนี่นะครับต้องไม่ลืมข้อความในธรรมะจักรกับปวัตนสูตรใช่ไหมครับพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะครับทรงตรัสรู้ว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขานิโรธและก็นี้ทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาในขณะเดียวกันพระองค์ยังตรัสรู้ว่าทุกควกรกัมณารู้สมุทัยควรละนิโรธควรทําให้แจ้งอริยมรรคควรเจริญนะครับ แต่ทีนี้ในชั้นต้นเนี่ยนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราได้ยินคําว่าทุกสมุทัยนิโรธมักเฉยๆนะครับผ่านหูทีนี้กิจของทุกก็ไม่ได้ทำนะครับไอ้ที่รู้เนี่ยถามว่ารู้จริงไหมก็จริงแต่รู้แบบนี้เรียกว่าสุดตะพุทธะพึ่งรู้นะครับแต่รู้อย่างนี้รู้แบบคนยังไม่ได้ทํากิจอะไรของอริยสัจเลยเพราะฉะนั้นการรู้อริยสัจที่จริงแท้แน่นอนต้องรู้จักกิจของอริยสัจแต่ละอย่าง ว่าอริยสัตว์แต่ละอย่างนั้นควรทํากิจอย่างไรควรเจริญอย่างไรควรบําเพ็ญอย่างไรเช่นทุกขาอริยสัตว์เนี่ยนะทำกิจกําหนดรู้บริบูรณนะ์แล้วหรือยังยกตัวอย่างนะชาติไปทุกขาชราไปทุกขามรณะไปทุกขังโสกกะปริเทวะทุกขโทมานะสุปายาสาปิทุกขาอภิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโขยัมปิชังนั ล, ะละภาติตมัมปิทุกขัง สังคิตเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาสยะทีทางรูปูปาทานะขันโทวเวทนูปาทานขันโทสั้นอยูปาทานขันโทสั้งคารูปาทานขันโท ว, วิญญาณูปาทานขันโทนะครับและยังบอกว่าเยสังปริญญายะนะครับพระพุทธเจ้าก็ยังสอนให้กําหนดรู้ปรู้อุปาทานขันเหล่านี้นี่เองก็ตั้งคําถามว่าเออนะชีวิตของท่านตั้งแต่ปฏิสนทิถึงจุติเนี่ยนะท่านได้ประมวลชีวิตเหล่านี้ โดยความเป็นขันห้าแล้วกําหนดรู้โดยความเป็นชาติพิทุกขาชร า, าพิทุกขามรณะพิทุกขังเป็นต้นเนี่ยนะครับได้ทํากิจกําหนดรอบรู้สิ่งเหล่านี้หรื อ, อยังนะครับในชั้นต้นให้พิจารณาโดยความเป็นขันห้าก่อนขันห้านะเรียกว่าเกิดขันห้าเรียกว่าแก่ขันห้าเรียกว่ า, า, รวาชร า, าหรือมรณะโสกปริเทวทุกขโทมนะและอุปาญาตแล้วขันห้าแต่ละอย่างเนี่ยกําหนดว่าไงครับไปปริญญาว่าอนิจจังเพราะมีแล้ว มีไม่ทุกครั้งเพรา ะ, ะเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับเพราะสิ่งใดไม่เที่ยงเสิ่งนั่นแหละเป็นทุกเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระเลยท่านพิจารณาอย่างนี้ตลอดสายทั้งชีวิตไหมตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงตายแล้วประมวลเอาสิ่งานเหล่านี้เนี่ยนะมาใคร่ครวญพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้คือสาระจริงๆสิ่งเหล่านี้คือของจริงของแท้ท่านวิเคราะห์ลักษณะนี้ไหม ถ้าไม่วิเคราะห์อะไรเลยก็ไม่คู่ควรอะไรที่จะตรัสรู้อริยสัจนะครับผมตอบผมเองแบบดเส็จหมดเลยสงสัยว่าไงครับสงสัยว่าถ้าบรรลุจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะรูบบรรลุเหมือนที่อาจารย์พูดใช่ไหมต้องประมวลชีวิตออกทั้งชีวิตนะครับแล้วมันจะสามารถที่จะเห็นอะไรเพิ่มการวิเคราะห์ออกมาเป็นอย่างนั้นได้หมดคือจน ไม่เปิดช่องว่างให้เกเรเกิดหรื อ, อยังไงเนะี่ยเออต้องอย่า ง, งานั้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับอแต่ของเราปฏิบัติที่เพื่อจะบรรลุน ะ, ะต้องสามารถเจริญได้ชั้นแบบนั้นอยู่แล้วนะครับต้องเจริญอย่างต่อเนื่องได้นะครับถ้าต่อเนื่องเจริญกุศลอย่างต่อเนื่องไม่ได้พิจารณาอะไรได้ล่ะครับเพราะฉะนั้นการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ต้องเจริญอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับฟันใช้คําว่าโยคาวจรโยคะอาวัจรนะครับ ก็ตนจนชำนาญจริงๆแล้วอันนี้ผมแค่ยกมาเบื้องต้นนะอันนี้ทุกข า, าริยาศัตร์ต้องไปวิเคราะห์อีกว่าทุกเหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นเด่นเกิดมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นปัจจัยมีอะไรเป็นนิทานชาติพิทุกขามีอะไรเป็นปัจจัยชราพิทุกขามีอะไรเป็นปัจจัยมรณมพิทุกขังมีอะไรเป็นปัจจัยรูปูปาทานขันมีอะไรเป็นปัจจัยเวทนูสัญญูสังขารูวิญญาณูปาทานขันแต่ละขันนั้นมีอะไรเป็น ปัจจัยมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นแดนเกิดมีอะไรเป็นต้นเขาก็ต้องวิเคราะห์ทั้งหมดนะครับก็ต้องไม่ลืมนะครับตามกีตาคิริสูตรนะครับถ้าหาว่าเมื่อไม่มีการเข้าไปหาการเข้าไปนั่งใกล้การเงียโสดลงสดับการทรงจำนะครับการทรงจำการไครครวนเป็นต้นไม่มีแล้วดูก่อนพิสูน์ทั้งหลายโมฆะบุรุษเหล่านั้นห่างไกลเพียงไรจากธรรมวินัยนี้ นะครับก็ตามสูตรนั้นนะครับถ้าหากว่าไม่มีการเรียนรู้ใหม่มีการทรงจำห่างจากพระาศาสนาไปตั้งนานแล้วเออขากลับครับไอ้ทำทำธรรมาจักรนี่อยู่ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนเต็มเลยธรรมจักรนี่มีรลายแห่งนะครับแต่โดยนี่ก็อยู่ในวินัยนะอยู่ในวินัยมหาคันธากะนะครับพี่ว่ามีข้อไม่ขี่ขยายพิเสธานอะไรไหม อ, อ่าไม่ไม่ขยายมากนักนะครับขยายที่อื่นๆนะครับซะส่วนใหญ่เช่นถ้าอริยศาสตร์ก็ขยายในสัจจะนิเทศเป็นต้นเนี่ยนะ ก็ในสัจจวิพังเป็นต้นก็เอามาขยายนะครับแต่ว่าธรรมจักนั้นเป็นหัวข้อเพราะว่าพระัญญาโกณธัญะประเภทอุคติตันอยู่นะครับประเภทปรัสรูเร็วนั้นก็ไม่ต้องขยายมากมายนักนะครับแต่ถ้าเราอยากละเอียดนะไปดูในสัจจนิเทศวิสุทธิมรรคก็ได้นะครับหรือสัจจะวิพังในคัมภีร์วิพังอภิธรรมปิดอกก็ได้หรือว่าสัจจะในสุตตมยายาญาณปฏิสัมพิธามรรคก็ได้นะครับ ส่วนรายละเอียดที่อื่นอีกก็ประปรายก็ไปดูในสัจจะสังยุตเป็นต้นนะครับนะก็มีรลายแห่งนะนิมนต์พิจารณาตามนั้นนะครับแต่สัจจะสังยุตก็ไม่ได้ขยายละเอียดอะไรเพราะว่าท่านถือว่าท่านอธิบายไว้แล้วในวิสุทธิมรรคนะครับในสัจจนิเทศนะครับันะน ะ, ะเมื่อกี้เนี่ยยังไม่ได้จบนะครับอริยศาสตร์เนี่ยนะครับนั่นะนะ มเมืกีสมุทยัยศาสตร์เพื่อนกล่าวถึงสมุทยัยศาสตร์เองเออทุกเหล่านี้เนี่ยนะครับมีสมุทัยเป็นต้นเนี่ยนะเป็นเหตุเป็นต้นเข้านะครับทีนี้ทุกข์กษัตริย์กับสมุทยัยศาสตร์เหล่านี้เนี่ยนะเมื่อมาถึงฐานะนี้คือมาถึงพระนิพพานเหล่านี้แล้วย่อมดับอย่งั้นเถอะหมายคือว่าโรภาคภัยไข้เจ็บเมื่อมาถึงณจุดนี้โรภคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นต้องหายแ น, น่นอนนีนะสมมติว่าทุกข์กับสมุทัยเนี่ยนะทุกเหมือนกับโรคสมุทัยเหมือนกับสมุทฐานของโรค โรคเนี่ยนะมาถึงจุดนี้หายแน่นอนแต่ถามว่าอาศัยอะไรอะ่ะกินอะไรจริงจะเข้าถึงจุดนั้นได้กินยาครับยาที่นี้คืออารยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8คือศีลสมาธิและปัญญาทีนี้ศีลเนี่ยแหะครับจะเจริญอย่างไรครับวินัยปิดกทั้งหมดนั่นแหละครับสมาธิเจริญยังไงครับสมถะ40ศึกษาไปเลยครับไม่ผิดหวังแล้ววิปัสนาเจริญยังไงเรียนรู้เรื่องขันทัดอเยตนาวินิจฉัยให้ละเอียดทีส่วนนะครับทีนี้ ถ้าหากว่าไม่รู้อะไรเลยแล้วบรรลุโสดาปฏิมัคนะครับผมว่าจะค่ากําไรเกินไปทําไมจึงผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะว่าพระองค์ตรัสว่านะดูก่อนอพระองค์ตรัสไว้ในคาถาธรรมบทนะที่ตรัสถึงลูกของอนาถาบินทิกะเศรษฐีผู้บรรลุโสดาปติมัคนะว่าโสดาปฏิมักยิ่งใหญ่กว่าที่ปไตยของพระเจ้าจากักรพรรดินะครับยิ่งใหญ่กว่าเทวโลกทั้ง26ชั้นนะครับ มังแห่งบอกว่าโ h โสดาปิมมักยิ่งใหญ่กว่าเทวโลกทั้ง26ชั้นยิ่งใหญ่กว่าที่ปไตยความเป็นใหญ่ของพระเจ้าจากักรพรรดินะครับทุกทั้งหลายในวัฏะเนี่ยนะครับเหมือนกับทะเลมหาสมุทรทุกนั้นๆนของพระโสดาบันก็เหลือแค่เหมือนน้ํา7หยดนะครับทุกทั้งหลายแลเหมือนกับกองภูเขาซิเนรุก็จะเหลือเท่ากับ7เมล็ดพันธ์อกาศนะครับแม่ถ้ามันรู้ ง, ง่ายๆอย่างนั้นนะพระองค์ขนเราไปแล้วเชื่อไหมครับไปปล่อให้มานั่งหาวกันเย็นทุกวันนี่ลอ้อก ผมนึกไปถึงพระสูตรส่วนหนึ่งที่บอกว่าการแทงตลอดอริยสัตว์เนี่ยมันยากเย็นแสนเข็นโอ้ถ้วันหนึ่งได้มีใครเอาห อ, อกมาที่มาแทงเราถ้าสามรอยเล่มเนี่ยร้อยปีให้เราตายแต่ว่าเราจะได้บรรลุอริยสัตว์นี่นะมันก็คุ้มค่าโอ้เจ้าโ อ, โอโ้โอย่างเงี้นะครับคุมโอ้โหแสดงว่าลึกซึ้งมากนะก็ลึกไม่ลึกก็แค่ฟังยังหาฟังยากเลยนะครับแล้วพิจารณาก็แทบไม่เคยเอามาใส่ใจเลยนะครับแล้วแม้ที่กล่าวถึงบรรลุจะกล่าวถึงที่น้อยนะครับ น, นะบุญน้อยจริงๆนะ ค, นครับนะครับนะครับถ้าจะได้ลาบอันดีขึ้นก็ทรงจําแล้วเอาไปไข่ครวนเป็นต้นก็จะเป็นลาบยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเอาไปโยนิโสมนัสิการธรรมานุธรรมะปฏิ ป, ต, ปติเป็นต้นนะครับจึงจะได้องค์ของโสตาปฏิยังฆ่าธรรมนะครับต่อไปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านี่นะครับเชื่อว่าพระตถาคตเพราะตรัสรู้ธรรมะที่แท้จริงโดยความเป็นจริงด้วยประการชนี้คือ อริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าตถาคตเนี่ยนะครับเพราะทรงเห็นความจริงแท้เป็นอย่างไรตอบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ทรงเห็นโดยอาการทั้งปวงซึ่งรูปารม์อันมาทางจักขคุทวานของสัตว์ทั้งหลายหาประมาณไม่ได้ ในโลกธาตุอันไม่มีประมาณในเทวโลกพร้อมด้วยมนุสโลกเมื่อทรงรู้ทรงเห็นอย่างนี้ทรงจำแนกรูปารมณ์นั้นด้วยอารมณ์หน้าปราถนาเป็นต้นหรือด้วยการได้บทในเพราะทิฏฐสุตะมุตะวิญญาตะโดยในเป็นต้นว่ารูปที่แสดงสีแสงอาศัยมหาภูตรูปสี่เป็นไปกับด้วยความกระทบนะครับปฏิฆะนะ เห็นได้กระทบได้เนี่ยนะครับมีสีเขียวสีเหลืองเป็นรูปารมณ์เนี่ยเป็นชะไหนนะครับแล้วพระองค์ยังตรัสโดยชื่ออีกมากมายโดยวาระ13วาระหรือโดยนย 52, นยะาสิบนยะเป็นความจริงแท้ทีเดียวอไอ้ที่ไม่จริงอะ่ะไม่มีรอกนะมีแต่ตรัสรู้เป็นจริงเป็นแท่ว่า ง, งั้นเถอะคือถ้ากล่าวอย่างนี้เนี่ยนะครับเราก็ย้อนมาที่คําว่าสีนี่นะครับสีคืออะไร สีคือสิ่งที่เห็นได้และกระทบได้ไอสิ่งที่เห็นได้และกระทบได้นี่นะครับเป็นรูปที่อาศัยมหาพูดสีสีเนี่ยนะครับที่ไหนมีสีแสดงว่าที่นั่นมีมหาพูดอยู่ด้วยนะครับในสีเหล่า น, นั้น น, น, น, นี่นะครับที่สัตว์ในโลกธาตุหาประมาณไม่ได้เห็นสีเหล่นา น, น, นั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับพระพธิองค์เนี่ยเห็นหมดนะครับสัตว์เห็นสีเท่าไหร่เนี่ยนะครับพระองค์เห็นหมดเลยไอที่สัตว์ไม่เห็นพระองค์ก็เห็น นะครับแต่โดยธรรมดาทั่วๆไปแล้วสัตว์รู้เท่าไหร่พระองค์ก็รู้เท่านั้นแล้วรู้สียิ่งกว่านั้นเนะช่นเราเห็นมองเห็นใบไม้ใบหญ้าเนี่ยนะเราก็นึกว่าเราเห็นอยู่คนเดียวที่จริงแล้วดวงอาทิตย์ก็เห็นด้วยนะ ถ, ถ้าสมมุติว่าดวงอาทิตย์ประมาเหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสงแห่งดวงอาทิตย์เหมือนกับแสงแห่งธรรมเนี่ยนะครับพระพุทธเจ้าเหมือนดวงอาทิตย์ก็าศาส่องเห็นหมดแล้วครับ สมมติว่าเราอยู่ตรงนี้ก็เห็นภาพตรงนี้คนอยู่กรุงเทพที่กรุงเทพเป็นต้นเขาก็เห็นที่กรุงเทพดวงอาทิตย์สองให้เห็นหมดเลยเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอีกศัพท์หนึ่งรถทิศจพันธุนาผู้เป็นเผ่าพันธุแห่งพระอาทิตย์หรืออีกความหมายหนึ่งพระองค์เนี่ยผู้มีความรู้ความสามารถเหมือนดังดวงระวีนะครับมีเดชขนาดนั้นมีความรู้มากขนาดนั้นเนี่ยนะ แล้วในเรื่องของสีทั้งหลายเนี่ยนะครับพระองค์ยังจําแนกโดยวาระต่างๆอีกมากมายก็ดูได้นะครับในรูปประกันในรูปประกันในคัมภีรธรรมสังคีนีคือคัมภี์ธรรมสังคีนีเนี่ยนะครับมีอยู่สการด้วยกัน1จิตตุ ป, ปาทกาัน2รูปประกันสอัฐุธารกันแล้วก็อัตตะทะกันนะครับมีอยู่4กันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสีทั้งหลายเรื่องรูปทั้งหลายก็ดูได้จากธรรมสังคีนีเหล่านี้นะครับโดยพิสดาร น, นะครับ ในบรรดาสีทั้งหลายเหล่านั้นเนี debut, ่ยนะครับพระองค์รู้แจ้งแทงตลอดหมดไม่ใช่รู้สีอย่างเดียวนะเสียงพระองค์ก็รู้เสียงมีเท่าไร่ที่สัตว์ได้ยินและที่สัตว์ไม่ได้ยินพระองค์ก็รู้หมดกลิ่นมีจํานวนเท่าไหร่พระองค์ก็รู้หมดนะครับว่าแต่ละอย่างให้กลิ่นยังไงพระองค์รู้หมดรสมีประมาณเท่าไหร่พระองค์ก็รู้หมดโพธพภมีประมาณเท่าไใดพระองค์ก็รู้ธรรมรมณ์นะครับเรื่องที่จิตนึกคิดทั้งหลายนี่นะครับรับรู้มีอยู่เท่าไร่พระองค์ก็รู้หมด ถามว่ารู้หมดทําไมไม่เอาแสดงให้หมดโอ้แสดงเท่าพระไตรปิฎกนี่ก็พอแล้วครับแค่นี้ก็เรียนให้จบเธอถ้าไปแสดงวิธีสร้าง อ, อย่างอื่นไปด้วยเป็นต้นเนี่ยวันไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับอายุสั้นๆแค่นี้นะประสงค์จะรู้พงษ์จะรู้หมดเลยนะครับเนื่องด้วยอาวัชนะนะครับแต่ว่าไม่มีอะไรที่ไม่เคยพิจารณาเลยพงษ์ พ, พิจารณาไว้ก่อนหมดแล้วนะครับทั้งทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตและก็เป็นปัจจุบันเนี่เคยไขว่คว้ไว้หมดแล้ว ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเหตุการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านั้นเนื่องด้วยอาวชนะหมายา็ว่าเนื่องด้วยจิตที่ประสงค์จะรู้ประสงค์จะรู้เรื่องอะไรก็จะมองเห็นทันทีหมดเลยนะครับเขาบอกว่าชั่วเพราะว่ารู้เร็วขนาดไหนบอกหายใจเฮืดเดียวเนี่ยระ ล, ลึกได้เก้กับเฮือดเนี่ยนะครับเก้ับเนี่ยครับอะไรในระหวังเนี่ยมองออกอย่างตลอดสายโปรงหมดเลยเพราะฉะนั้นความสามารถขนาดนั้นนะครับบอกว่า ไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่กว่าจิตที่อบรมแล้วนะครับจิตที่อบรมแล้วเนี่ยน้อมไปอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งหมดที่กล่าวเนี่ยเป็นเรื่องของการฝึกจิตอย่างเดียวนะครับอนุภาพของการฝึกจิตนะครับเพราะฉะนั้นเสียงกลิน่นรสโพธิภพและธรรมรมเนี่ยนะครับพระองค์ทรงรู้แจ้งแทงตลอดหมดสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่ายังพิกเวสเทวะกัสโลกัส เปสถเทวมนุษย์ยะทิดทั้งสุตังมุตังวิญญาตังปัตตังตริเยสิตังอนุวิจารตังมานุษตัมมะหังชานามิตัมมะหังอภิญญาสิงตังตถาคตัสะวิที่ตังตถาคตัสะกุปัถาสิตดูกรภิกษุทั้งหลายเรารู้ยิ่งอารมณ์ที่เห็นที่ฟังที่รู้ที่รู้ยิ่งที่ถึงที่แสวงหาที่ตามเที่ยวไปของโลกพร้อมกับเทวโลก แต่ข้อความก็ละพร้อมด้วยเทวดาและมนุษย์ด้วยใจนะครับสัตว์รู้เท่าไรพระองค์ก็รู้เท่านั้นแหละอารมณ์นั้นตถาคตรู้แล้วรู้ยิ่งแล้วปรากฏแล้วแก่ตถาคตได้ปรากฏแล้วแก่แ ต, ถ า, ต, ากกตถาคตนะครับพระองค์รู้หมดนะครับรู้แต่พระองค์ไม่มีอุปาทานในสิ่งเหล่านั้ น, น, นเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับ ไม่มีกามุปาทานทิฏฐปาทานสีละพตุตปาทานและไม่มีอัตวาทุปาทานในอารมณ์เหล่านั้ น, น, นทั้งหมดนะครับด้วยด้วยประการชนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงชื่อว่าตถาคตเพราะทรงเห็นความแท้จริงเพิ่งทราบความหมายของบทว่าตถาคโตในอัตถว่าเห็นความแท้จริงในที่นี้นะครับคือสรุปแล้วอารมณ์นะครับสิ่งที่รับรู้สิ่งที่เป็นอารมณปัจจัยของจิตนะครับ พระองค์นี่รู้หมดเลยเพาะงั้นเถอะไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่รู้นะครับนี่คือความหมายของคำามาตถาคตในยะที่5คือหมายความว่าทรงเห็นความแท้จริงนะครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะนึกอุ ป, ปมาง่ายๆเนี่ยนะครับเวลาเราเห็นอะไรเนี่ยนะดวงอาทิตย์ส่องเห็นหมดนะครับถึงเราไม่เห็นดวงอาทิตย์ก็ยังส่องเห็นอยู่ดีชั้นใดนะครับสิ่งทั้งหลายในมวลทั้งหมดเลยนะครับพ่อองค์นี่ทรงรู้หมดนะครับอย่าว่าพระองค์ไม่รู้เลยพระองค์รู้หมด แต่ว่าพงค์จะเอามาแสดงหรือไม่เท่านั้นเองนั้นพระองค์จะแสดงต่อเมื่อมีประโยชน์นะครับเดี๋ยวจะมีนัยยะต่อไปข้างหน้าเนี่มาดูตถาคตนัยยะที่หว่าถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าตถาคตเพราะทรงสั่งสอนสิ่งที่แท้จริงเนี่ยเป็นอย่างไรตอบว่า ตลอดราตรีใดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตลอดราตรีใดเสด็จปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพนธะนะครับคือหมายความว่าเรีกตรัสรู้ถึงจุดคือปรินิพานเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลาเท่าไหร่ครับสี้าปีเนี่ยนะครับในระหว่างนี้คําสอนมีสุตะเคยะเวยากรณคาถาอุทานิติอุตกาชาตกาอาภูตธรรมเวทละเป็นต้นเนี่ยนะครับ ทั้งหมดเหล่านั้นอานพระพุทธเจ้าตรัสแล้วในเวลาปริมาณ45พระพรรษาทั้งหมดนั้นบริสุทธิ์บริบูรณ์นะครับคำสอนเนี่ยเพียบพร้อมเต็มบริบูรณ์หมดเลยไม่มีขาดไม่มีเกินอ่าง น, นั้นเแล้วคำสอนเหล่านั้นทั้งหมดย่ำยีความเมา ด้วยอำนาจราคะเป็นต้นนะครับคําสอนในพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยนะเป็นคาสอนที่เป็นไปเพื่อกาจัดความเมาคือราคะความเมาคือโทสะความเมาคือโมหะความเมาคือมานะทุจริตกิเลสอภิสังขารทั้งหมดได้โดยเด็ดขาดนะครับเป็นคําสอนที่เป็นสิ่งที่แท้จริงแท้แน่นอนเช่นเดียวกันหมดเลยนะครับเป็นคาสอนที่เป็นไปเพื่อละราคะโทสะโมหะจริงๆนะครับ ดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่ายันจะจุนทารัตติงเปตถาคโตติวัตติดูก่อนจุนทาราตรีใดตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณราตรีใดตถาคตปรินิพานโดยอนุปาทิเสสนิพนธาะในระหว่างนี้ตถาคตกล่าวพูดชี้แจงคําสอนใดคําสอนนั้นทั้งหมดเป็นความจริงแท้ไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าตถาคตนะครับจึงชื่อว่าตถาคตนะ เพราะฉะนั้นคาตะในที่นี้แปลว่ากล่าวนะครับเพราะฉะนั้นก็หมายถึงคำพูดของพระองค์ที่จริงแท้แน่นอนไม่แปรผันนะครับเป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆนะครับ เป็นคําสอนที่ตรัสไว้ดีแล้วเป็นสวากขาโตจริงๆนะครับว่าเมื่อผู้ปฏิบัติก็จะได้สรรทิฏฐิโกอาการิโกเอหิปสิโกโอปะเยโกแล้วก็ปัจจัดตังเวทิตัาโพวินยูหิตนะครับเพราะอะไรครับเพราะเป็นสวากขาโตนะครับเป็นคําสอนที่ตรัสไว้ดีจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นคําสอนที่ตรัสไว้เลี้วไหลไม่ใช่สละสลวยเพราะพลิ้งเพลิดเพลินเฉยๆนะครับ